คุณผู้ฟังคะช่วงกาชาตินิวส์วันนี้มีข่าวของกองอำนวยการจัดงานกาชาติปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองจัดการประกวดสุขภาพเด็กเนื่องในงานกาชาติค่ะในวันที่สิบห้าถึงยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองรวมสิบวันนะคะผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าร่วมการประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวอร์ไวด์เว็บดอทเรดคอร์ดฟันไรซิ่งดอทโออาร์จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยเรารับจำนวนจำกัดนะคะ โดยเด็กที่เข้าร่วมการประกวดนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่หนึ่งค่ะอายุตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปีหกเดือนนับอายุถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองประเภทที่สองอายุตั้งแต่สองปีหกเดือนถึงห้าปีนับอายุถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง 2, 2. ค่ะ วันที่ยื่นใบสมาัครค่ะให้ผู้ปกครองกรอกใบสมัครพร้อมทั้งนำสูติบัตรและสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนโดยชำระเงินค่าลงทะเบียนในการสมรัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทเพื่อนำเงินสมทบทุนการจัดงานกาชาดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่ฝ่ายการเงินชั้นเอ็มโซนซี C, ตึกภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาดไทยพร้อมยื่นใบสมัครแล้วก็ใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบสองนาฬิกาและสิบสามนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาค่ะ ส่วนวันที่มายื่นสมัครนะคะไม่ต้องนำเด็กๆมาก็ได้ค่ะแต่ในวันรับสมัครขอให้ผู้ปกครองนะคะนำเด็กๆพร้อมใบนัดที่ได้รับในวันยื่นใบสมัครมาด้วยนะคะเพื่อมารับการตรวจสุขภาพในรอบแรกที่ตึกพป ร, รชั้นเก้าตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในบัตรนัดนะคะโดวยเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่11และ18กันยายน2562ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ถ้าหากไม่ได้มาตามนัดหมายนะคะก็จะถือว่าสลับ ในวันคัดเลือกนะคะทางคณะกรรมาการจัดการประกวดก็จะทำการคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนสูงสุดจากการตรวจในวันรับสมัครประเภทละ50คนนะคะแล้วก็แจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบทางปรัชญาบาตรทางโทรศัพท์และก็ทางเว็บไซต์นะคะภายในวันที่4ตุลาคม2562เพื่อผู้ปกครองจะได้นำบุตรหลานนั้นมาคัดเลือกรอบที่2ค่ะในวันพุธ ที่16ตุลาคม2562ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาณตึกพรบชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ ซึ่งคณะกรรมการนะคะจะคัดเลือกไว้ประเภทละ20ท่านนะคะรวม40ท่านเพื่อเข้ารับการตัดสินในรอบสุดท้ายค่ะสำหรับเด็กที่เข้าประกวดในประเภทที่สองนะคะจะต้องเข้ารับการตรวจทางด้านพัฒนาการในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562และจะตัดสินนะคะในวันพุทธที่6พฤศจิกายน2562เวลา13นาฬิกาค่ะที่ตึกพปรชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด ส่วนการตัดสินในรอบสุดท้ายของแต่ละประเภทนะคะมีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองและรางวัลที่สามแล้วก็ยังมีรางวัลชมเชยอีกประเภทละห้ารางวัลค่ะส่วนรางวัลนะคะคณะกรรมการตัดสินการประกวดให้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทโดยทั้งสองประเภทนะคะจะมีแปดรางวัลก็คือรางวัลที่หนึ่งสองสามแล้วก็รางวัลชมเชยอีกห้ารางวัลค่ะ คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หน่วยธุรการฝ่ายกุมรารเวชศาสตร์โทรศัพท์022564971นะคะอีกรอบนะคะ022564971ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสวดธนาวรอบหลวงค่ะรายการ Restored On Radio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 พร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา 12-13 บริกา ร, 13 ร, การที่ชั้น3สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายเทคโนโลยีราชโมงคนทัญญาบอรีจัวหัดประทุมทานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าจะใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 พริกลอกนาดู ロケちゃん、こっちはピッキーパイエン。ダッキーバーコンカエン。マイミータン、キッチャコンヘン、キッチャー、ロケちゃん、ドナーファイファー、ロケー、ウォパン、ロケン、ミネン、ウォ ローキーちゃんもないかたん。ローキ パパパパパパパパ ラフィちゃんとんじゃんとんていわちゃい。あいかたもん、またんとはい。たつとたいみみあいさきゃ。 ピーク・ラック・ネット・ピーク・ラッレス・ー・オン・レディ・オ ช่วงสนทนารอบรัววันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการผ่าตัดจุลสัญลักษณ์นะคะอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่าตัดทางนาฬิเวส ท, ที่เขาใจ่ายผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงในการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแล้วก็ฟื้นตัวได้วเร็วค่ะ ในอดีตนะคะการผ่าตัดแต่ละครั้งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจสำหรับผู้ป่วยและก็ญาติของผู้ป่วยอยู่ไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะหากเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะคะในสตรีที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสติสัมผัสและนารีเวศวิทยาค่ะมักจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความกังวลใจมากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะแพทย์ต้องกรีดเปิดปากแผลให้กว้างพอที่มือของแพทย์นะคะจะสามารถสอดเข้าไปทำหัตถการภายในร่างกายของผู้ป่วยได้ค่ะ และหลายๆครั้งนะคะการเปิดผ่าตาดัดอาจทำให้มีภาวะผังผืดหลังการผ่าตาดัดซึ่งทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการมีบุตรภายหลังการผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะคะแต่ด้วยเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยในปัจจุบันจุลสัญลักษณ์หรือการผ่าตัดแผลเล็กกลายเป็นคำตอบใหม่ของการผ่าตัดที่ปลอดภยัยแผลเล็กเจ็บน้อยฝืนตัวเร็วทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชัยวัชรัตและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศนวัลย์รังรักศิริวรรพากวิชาสุติศาสตร์นารีเวทวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้กล่าวว่าจุลศัลยลักษณะหมายถึงการผ่าตัดแผลเล็กทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องการผ่าตัดในโพรงมดลูกหรือการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดการผ่าตัดประเภทนี้มีข้อดีคือช่วยให้ปากแผลผ่าตัดมี ขนาดเล็กนะคะเพียงหนึ่งเซนติเมตรเท่านั้นค่ะหรืออาจจะไม่ทิ้งบาดแผลไว้เลยนะคะภายหลังการผ่าตัดค่ะ ซึ่งเมื่อแผลเล็กนะคะก็แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยฟืฝ้นตัวได้ยวเร็วตลอดจนช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนความเจ็บปวดแล้วก็การติดเชื้อลงได้อีกด้วยค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เริ่มให้บริการรักษาด้วยวิธีจุลสัญรักษามาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสามโดยความเริ่มแรกของศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตลิมปะพยอมอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลยัย ที่ท่านได้者มันำเทคโนโ ли โลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวสโดยในครั้ง rac ได้นำมาใช้สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการเว ι านิ صل ร Lat และการธรรมันยิงโดยใช้การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นแห่งแรกของประเท fas h และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะจนปัจจุบันค่ะแพทย์สามารถใช้วิธีผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคทางนารีเวชนะคะทดแทนการผ่าตัดเปิดหน้าท้องได้แล้วนะคะเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปเช่นการผ่าตัดมดลูกนะคะเนื้อ ง, งอกมดลูกชนิดธรรมดาการรักษาภาวะการมีบุตรยากเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ค่ะเช่นกรณีที่มีซีดในรังไข่หรือว่าพังผืดในช่องท้องที่ขัดขวางการตั้งครรภ์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังถือเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดหมดลูกผ่านกล้องผ่านทางช่องคลอดในปี2541นะคะและการผ่าตัดหมดลูกผ่านกล้องในปี2546ตลอดจนสามารถใช้วิธีจูนสั ญ, ญลักษ์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทานรีเวทได้เกือบทุกประเภทค่ะรวมทั้งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในกรณีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแบบที่ยังสามารถเก็บรักษามดลูกไว้ ทำให้ผู้ป่วยยังสามารถมีบุตรต่อไปในอนาคตรวมถึงการผ่าตัดรักษามะเรียงรังไข่ในระยะเริ่มต้นด้วยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชยาญวัศุลศร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทศนวันนะคะยังกล่าวถึงข้อจำกัดของการรักษาด้วยจุลสัญญาลักษณ์นะคะว่าในการผ่าตัดแต่ละครั้งค่ะจะต้องใช้เวลานานกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องอีกทางนะคะยังต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญขั้นสูงของแพทย์ประกอบกับเครื่องมือในการผ่าตัดในการรักษานะคะต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะค่าใช้ใจ่ายสำหรับการผ่าตัดแบบจุลศักด อยาลักษณ์สูงกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมค่ะแต่เพราะการผ่าตัดด้วยวิธีนี้สามารถทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วกลับมานได้เร็วขึ้นจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลงได้นะคะทำให้ผู้ป่วยหลายรายนั้นมีแนวโน้มหันมาเลือกรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องมากขึ้นค่ะ สำหรับผู้ป่วยทางนาฬิกา ท, ที่สนใจการรักษาด้วยจุลสัญลักษณ์ในโรเรลนี้นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเตรียมเปิดบริการชั่วคราวที่ชั้นสิบห้าอาคารผอปรคะและในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเปิดบริการณ์ชั้นแปดอาคารผอปรคทุกวันพฤหัดส บ, บดีตั้งแต่เวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 ラパンとカムーダー、ナムマタ、パラチャダนリ、ソンデุテパラ、ラスダ、サヤマロ、マラチャ、カマリ、ロンカ、マハ、ウィテイアライ、テクノロギー、ウラチャモンコン、イサン、コトン、トゥタン、ロンガン、プラシュミシャカ、ランイタサカン、クランティシップ、サパヤコン、ハイ、シャオバンハイ、ダイプレヨー、ピー、ソン、パン、ハロイ、ホクシップ、ソン、ロワン、ワンティ、ジーシップ、カープシティ、ガヨン、トゥン、ワンティハー、タン、ワーコン、ソン、パン、ハロイ、ホクシップ、ソン、ナ、マハ、ウィテイアライ、テクノロギー、ウラチャモンコン、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 シンボンティーターへんかんと。 で「でるらぽんまいかわいかくちゃ」 ออนเรดิโอ <On> ช่วงความรู้ผู้สุขภาพ กลับเข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อนะคะลำไยผลไม้ที่คุณผู้ฟังจะต้องตกใจเมื่อรู้ถึงสปรรพคุณและประโยชน์ค่ะเพราะนอกจากจะอร่อยแล้วยังสามารถบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงระบบประสาทตาและหัวใจเป็นผลไม้ที่คนไทยคุ้นหูคุ้นตา ก, กันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของลำไยค่ะวันนี้เราจึงนำเรื่องราวสรรพคุณประโยชน์และข้อควรระวังในการทานลำไยมาฝากกันค่ะ สารในเนื้อลำไยอบแห้งนะคะมีสปรรพคุณต้านพิษในสารก่อมะเร็งได้ช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมค่ะเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ลดแบคทีเรียไม่ดีแยบยลการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้และอยัางช่วยให้เจริญอาหารขึ้นอีกด้วยค่ะ ประโยชน์เด่นอีกอย่างของลำ Christina ก็คือลายคาได้มีธ truly คือเป็นผลหมายที่ช่วยบรรรุงร่างกายบรรรุงเลือดบำรงปรรษาสตุ์ビ Brown ตาและบรรรรรุงหัวใจเพราะว่ามีแรก أي ธราส vítamini และสารอาหาคุ้นประโยชน์ grandes จึงผมว่ามีคนนรำลำใหญ่นั้นไปทำเป็นยาบรรรุงกำลังค่ะ เนื่องจากลำไยนะคะมีวิตามินซีและสารต่อต้านอนุมูลอิสาระที่มีประสิทธิภาพสูงแถมยังช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินนะคะซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณได้แถมยังมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องสำอางที่มีสารเคมีทั่วไปค่ะลำไยมีวิตามินบี12เยอะค่ะช่วยบำรุงสมองรักษาอาการเครียดกระวนกระวายแก้อาการอ่อนเพลียและทัดต้มน้ำลำไยแล้วดื่มก่อนนอนค่ะจะช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้การนำลำไยมาต้มกับโสมให้ผู้สูงอายุหรือคนที่ความจำไม่ดีได้ดื่มนะคะสามารถช่วยรักษาอาการอัลไซเมอร์และขี้หลงขี้ลืมได้ค่ะเพราะว่าโสมนั้นจะช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์และกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนลำไยช่วยบำ ร, รุงสมองและทำให้ดื่มได้ง่ายขึ้นอีกทั้งสารอาหารในลำไยก็ยังสามารถช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและการดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นจึงสามารถป้องกันโรคโลหิต จ, จางได้ค่ะ หนึ่งสากรำยายเป็นผลไม้รสหวานนะคะจึงมีคาร์โบไฮเดตและน้ำปานซูโคสกูโคสสูงซึ่งช่วยให้สดชื่นได้เร็วถำให้รำยายเป็นผลไม้ที่ให้พระงานกับร่างกายกินรำยายแล้วจึงรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันทีค่ะ รำไ ย, ยมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ารำไ ย, ยค่ะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารอาหารต่างๆมากมายที่มีประโยชน์ ท, างทั้งธาตุทองแดงวิตามินบีสิบสองน้ำตาลกรูโคสฟูกโกสและสูโคสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโกรดไขมันที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายและอื่นๆอีกมากมายค่ะ คุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าการนำเมล็ดลำไยกับพริกไทยนั้นมาบดเข้าด้วยกันจนเป็นผงแล้วนำไปทาที่รักแร้สามารถช่วยกำจัดกลิ่นตัวได้นะคะอีกทั้งในเมล็ดลำไยมีสารโพลีฟินอนอลซึ่งสามารถป้องกันการเสรื่อมสลายและช่วยยืดอายุกระดูกอ่อนได้ยาวนานขึ้นจึงมีการนำสารสกัดจากเมล็ดลำไยมาทำยาทาช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบมีประสิทธิภาพดีทพเทียบเท่ากับยาไดอะซิเรนซึ่งเป็นยารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน ส่วนโทษของลำไ ย, ายหากรับประทานมากไปควรระมัดระหวังด้วยนะคะควรทานผลไม้นะคะสี่ถึงห้าส่วนต่อวนันและผลไม้ที่เราทานก็ควรมีความหลากหลายดังนั้นค่ะควรกินลำไ ย, ยในปริมาณที่พอเหมาะและควบคู่ไปกับผลไม้อื่นด้วยคือควรทานลำไ ย, ยไม่เกินหนึ่งส่วนต่อวนันซึ่งหากเป็นลำไ ย, ยสดก็ประมาณหกถึงสิบผลแต่ถ้าหากเป็นลำไ ย, ยแห้งนะคะควรทานเพียงสองถึงสามเมตรเพื่อให้รับสารอาหารที่เพียงพอและไม่มากจนเกินไปค่ะ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการทานลำไยนะคะเพราะว่าถึงลำไยจะมีประโยชน์แต่ก็จัดเป็นผลไม้รสหวานจัดเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงแล้วก็จัดเป็นผลไม้ที่มีริดร้อนหากทานมากเกินไปอาจส่งผลต่ออาการป่วยที่เป็นอยู่ทำให้เจ็บคอหรือว่าเป็นร้อนในได้ค่ะ รำไยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะเมื่อทานเข้าไปมากๆซึ่งทำให้เกิดร้อนในอีกด้วยค่ะแต่ถ้าเราสามารถแก้ร้อนในได้นะคะโดยการดื่มน้ำตามลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือว่าดื่มน้ำเกลือนะคะน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะผสมเกลือนหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะน้ำสมุนไพรหรือว่าจะทานเป็นน้ำผักผลไม้โสดที่มีน้ำเยอะตามลงไปก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนค่ะอาจเลิอกกินมังคุดนะคะเพราะว่ามังคุดค่ะ ถือเป็นผลไม้เย็นที่สามารถดับร้อนได้ค่ะประโยชน์เยอะสปปรรพคุณสูงรสชาติอร่อยราคาก็พอซื้อหาทานได้จะไม่สนใจลำใหญ่กันได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าการทานเยอะไปก็มีข้อเสียควรทานแค่พอเหมาะให้ร่างกายได้ประโยชน์ทางโภชนาการจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ